ข้อความในพุทธวงต่อจากครั้งที่แล้วหน้า179นะใครที่คิดได้เหมือนสุมเมศบันดิตนี่น่าจะอยู่ครองเรือนไม่ได้ยังั้นนะถ้าเห็นอริยสัจเป็นพระอริยบุคคลก็ดีไปถ้ายังไม่เป็นโดยมากก็จะบวช ท, ท่านบอกว่าสุมเมรหลังจากที่ตีกลองเปลาร้องประกาศให้ทานแก่หมูมหาชน แล้วก็ละวัตถุกรรมละกิเลสกามออ ก, ากออกจากออกจากอมรานครเนี่ยนะซึ่งเหมือนเ ส, ม, ส ม, มือนเทพนคร อ, อันประเสริฐไปลำพังแต่เพียงผู้เดียวก็ไปอยู่อาศัยธรรมิกาบันพศธรรมิกาบันพศแปล ว, ว่าผู้ที่เข้าไปอยู่ในภูเขานี้ไปประพฤติธรรมแต่ก็เรียกว่าทีมธรรมิกาและ ว, ว่าภูเขาเป็นที่ประพฤติธรรมของหมู่ชนนั่นเองในป่าหิมวันตแต่ประเทศที่มีฝูงเนื้อนาณ า, าชนิด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 เราสละผ้าอันมีโทษเ้าประการไว้นะที่นั้นนุ่งผ้าเปลือกไม้อันมีคุณสิบสองประการเราสละบรรณาศาลาอันเกลื่อนกลนด้วยโทษแปประการเข้าไปอาศัยโคนไม้อันประกอบด้วยคุณสิบประการเราละธัญชาติที่หวางที่ปลูกโดยไม่ได้เหลือเลยบริโภคแต่ผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติอันพรั่งพร้อมไปด้วยคุณเป็นอันมาก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 ณภูเขานั้นเราทําอาสมสร้างบรณารณศาลาสร้างที่จงกรมอันเว้นจากโทษ5ประการไว้ณที่นั้นสร้างบรณา ร, าบบรณศาลาบรรณเนี่ยนะบัรณะบางทีก็แปลว่าหนังสือก็ได้แปลว่าใบาไม้ก็ได้สมัยก่อนเนี่ยหนังสือเขาเขียนด้วยใส่ใบไม้เรียกว่าใบลานก็เรียกว่าบาาัรณ เ, เนี่ยนะส่วนสมัยศาลาที่มุงบังด้วยใบไม้ก็เลยเรียกว่าบัาารณศาลาเหมือนกัน สร้างปนะศ า, าลาศาลามงบางด้วยใบไม้โดยมากก็ใช้ใบอะไรใบจากบ้างใบยญาขาบ้างตองตึงบ้างนั่นบทว่าปัญจโทษาวิชิตังได้แก่เวน้นห่างไกลาจากโทษแห่งที่จงกรม5ประการคือโทษของสถานที่เดินจงกรมเนี่ยนะมีอยู่5อย่างคือลักษณะที่จงกรมที่มีโทษว่างั้น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 นะ ท, ที่เดินน่ยนะควรสัก30เมตรกว้างศอกเครื่องศอกเครื่องก็ประมาณ75เซนติเมตรเนี่ยนะกว้าง75เซนติเมตรยาวหเอายาว30เมตรเนี่ยจึงเป็นสถานที่เหมาะที่จะเดินเพราะถ้ากว้างกว่านั้นท่านก็บอกท่างก็บอกว่ามันมีโทษอีกในยะหนึ่งบทว่าปัญจโทษาวิชิตังได้แก่เว้นห่างไกลาจากโทษคือนิวอนหอธิบายว่าถ้าจะปฏิบัติเพื่อให้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 อันนี้ถือว่าเป็นจิตพอสมควรที่จะรองรับอภินยาหสมาบัติแปดได้เชื่อมความว่าเราสร้างอาสมอันประกอบด้วยส ม, มณะสุขแปดประการประกอบพักพร้อมด้วยส ม, มณะสุขแปดประการเหล่านี้ถามว่าสุขของส ม, มณะเนี่ยนะแปดประการมีอะไรบ้างหนึ่งไม่หวงแหนทรั์และข้าวเปลือกแบบสองท่านบอกว่าสแสวงหาบินทบาทที่ไม่มีโทษ3บริโภคก้อนข้าวเย็ยนแล้ว มานะไม่คือจริงอะนะถ้าโดยเฉพาะใช้ชีวิตบิณถ้าบาดชันเนี่ยข้าวร้อนๆนี่ไม่รู้มันเป็นยังไงเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยตอนสายนี่ร้อนจริงอ่ะแต่กลับไปถึงวัดก็จืดชืดมาแล้วเหมนกันมันก็ได้แต่ก้อนข้าวเย็ยนๆไม่มีกิเลสเครื่องเบียดเบียนรัดเมื่อผู้รา ช, ช บ, บุรุษเอาแต่เบียดเบียนรัดถือเอาซัพย์และข้าวเปลือกเป็นต้นหมายว่าไม่ต้องไปกดขี่คมเหงเอาจากผู้ใดทั้งนั้นแหละ แล้วก็ปราศจากฉันราคาในเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายคือไม่มีวัตถุใดพอที่จะมาคอยห่วงแหนทนุถนอมมนะไม่มีภัยเพราะการปล้นของโจรแล้วก็ไม่ต้องไปคลุกคลีกับพระราชามและมหาอามาตของพระราชาไม่ถูกกระทบกระทั่งในทิศ ท, ทั้ง4ี่คือไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อาจารย์บางพวกท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่ตรกกาท่านบอกว่าอันนี้ก็คำอธิบายแนวนี้ไม่สมควรกับบาลีเลย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 กลับมาใช้แต่ภาพเปลือกไม้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะศีลของดา บ, บททั้งหลายเนี่ยสมท า, านอุบโบสถเท่านั้นเองจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องศีลอย่างอื่นทั้งนั้น น, นะเขาเขารู้แต่อุบโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์8เท่านั้นแหละที่เขาสมท า, านที่เขารักษาหรือไม่ก็รักษาศีลสิบเท่ากับสัมมาเ น, นส่วนรายละเอียดเรื่องอื่นเขาไม่รู้หรอกพรานอย่างใครผู้ใดไปเห็นอย่างนี้เข้า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 คือทุกอย่างที่ทํานี้เกิดการใคร่ครวนหมดเสร็จสิ้นเป็นคนละเอียดละออมากอย่างที่บอกว่าใช้ภาพเปลือกไม้เมีย น, นิสงสิบสประการ12ประการมีอะไรบ้างบังหนึ่งมีค่าน้อยสองไม่เนื่องด้วยผู้อื่น3อาจทําด้วยมือของตัวเอง4ี่เมื่อผ้าเก่าเพราะการใช้ไปก็ไม่ต้องเย็บผ้าไม่มีโจรภัย์ไม่รู้จะปล้นเอรรราไปทำอะไรเปลือกไม้นะหกก็สแสวงหาได้ก็ง่าย7เหมาะแก่การบวชเป็นดาบว8ไม่เป็นฐานะแห่งการแต่งตัวของผู้ใช้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 บางคนที่มีผิวพันธุ์ค่อนข้างแข็งแรงเลยก็อาจจะใช้ได้คนธรรมดาทั่วไปใช้คงะลอกหมดแหละแล้วก็ท่านบอกว่าก้าวมีความมักน้อยในปัจจัยคืจีวรสะดวกในการใช้เปลือกไม้ก็ที่เกิดก็หาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายบอกว่าแม้เมื่อภาพเปลือกไม้สู์หายไปก็ไม่เสียดายหนนหายไปวัลผืนก็ไม่เสียดา ย, ยานะ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 เราละบ้านเรือนซึ่ง ม, มีอาการประหนึ่งที่อยู่อันประเสริฐของเทพยาดาละบ้านละเมืองเหมือนวิมานของเทวดานี่นะที่งดงามด้วยสมบัติอันโอฬานหน้าเรื่นรมของฤหัชชนด้วยการสัมผัสกาไลมือกาไลเท้าใหม่เป็นต้นรักคนด้วยเสียงและก็การหัวเราะการพูดไพเราะเหมือนก้อนเขละคือสิ่งที่ท่านสละมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งธรรมดาจริง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 สามจต้องทนุถนอมกายเพราะการกระทบเย็ยนร้อนเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าช่างค่อนข้างสำออยังไง น, นะสี่ต้องปกปิดคําคอรหาที่ว่าผู้เข้าไปในเรือนอาจทําชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็คือยังอะไรนะสักคนสามารถฟ้องได้ว่าเอ๊เข้าไปอยู่ในที่พักไปทาอะไรคือสามารถเป็นที่ตั้งแห่งคําคอรหาได้5ต้องห่วงต้องหวงแหนวันนี้ของเราห่วงอืู่นะที่พักเนี่ย แล้วก็หกต้องนึกอยู่เสมอว่านี้บ้านเรือนมีอยู่คือถ้ามีบ้านมีเรือนอยู่มันก็ต้องอยู่อย่างผู้มีเพื่อนเหมือนกับมีเพื่อนเลยแหละเจ็ดต้องเป็นของทั่วไปแก่คนเป็นอันมากเพราะต้องทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายมีอะไรมีเลนมีเลือดมีจิ้งจกมีตุ๊กแกมีหนูเนี่ยนะโอ้ยพวกเยอะเนี่ยนะดีไม่ดีงูเขียวเข้าไปอยู่ด้วยหนูเนี่ยหลังคายาเนี่ยแหมกัดดีเหลือเกินเนยนะเข้าไปกัดทํารังอยู่ในนั้นแหละ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 สามทมอ น, นิจจสัญญาให้ตั้งขึ้นด้วยการเห็นความแปรปรวนของต้นไม้และใบไม้อนาฤดูการของต้นไม้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวใบไม้ก็ร่วงหล่นมาเรื่อยๆให้เห็นอ น, นิจจสัญญาก็จะปรากฏนะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แลลวแล้วก็สี่ไม่ตรหนีในเสนาสนะคนอื่นจะมาอาศัยคนนี้บ้างก็ยินดีเนี่ยนะไม่รู้สึกว่าอิจฉาริษยาตาร้อนอะไรกับคนที่อยู่โคนไม้เลย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 วิปัสสนาพันโคนมาเนี่ยถ้าอยู่ได้อยู่ได้นานอยู่แบบคนมีกรรมฐานค่อนข้างเจริญเนี่ยแต่ขณะเดียวกันต้องเป็นคนมีสุขภาพดีระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าโคลมาเนี่ยรับลมนี่ก็รับเต็มที่เหมือนกันร้อนก็บา ง, บางแห่งบางครั้งเนี่ยอาจจะร้อนบ้างพายุก็เข้าเต็มที่เนี่ยนะบางทีก็ถือว่ามันใกล้หมอกใกล้น้ําค้างพอสมควรเลยแหละนัต้องคนที่มีสุขภาพดีหน่อยเคยไปพักอยู่บางที่เนี่ย ไปพักอยู่มกลางคืนเน้น้ำค้างมันแรงมากมันน้ำค้างมันแรงก็เลยเช้ามานี่ก็ไอระ ง, งมไปหมดเลยนะทั้งคนที่จะอยู่นี่ก็ต้องอดูแลสุขภาพหลายๆด้านให้ดีกัแล้วกันครั้งนั้นสุมเมศบัณดิตเห็นโทษของบนนาารรณาศาลาได้อานิสงค์คืออยู่ในเสนาสนะคือโคลนไม้แล้วก็คิดให้มันยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะ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 แต่มันก็เนื้อมันก็หวานแล้วมันก็หอมแต่ว่าเนื้อมันนี่เดียวเนี่ยนะแล้วถ้าหาว่าแหมกัดเม็ดมันซะสิเนี่ยนะโอ้โหฝาดขนาดนั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะฝาดมากนะเรียกว่ารสของกล้วยหวานนี่ไม่รุ่นหายไปไหนหมดแต่ว่าเขาก็มีเคยมีสำเนาเอาเอ า, เอาน้ําน้ำกล้วยเนี่ยเอาลูกกล้วยหอบกล้วยป่าสุกๆเนี่ยมาเราเป็นน้ําปานะก็หอมดีหอมกว่ากล้วยบ้านกล้วยทั่วไป